เจ็ดปาทุ ก, กาวัคหมวดว่าด้วยรองเทา้าสิกขาบทที่หนึ่งเรื่องภิกษุณีชัพกคีหนพสีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาตถะบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุณีชัพพกคีถ่ายอุจาระบ้างปัสสาวะบ้าง บ้วนน้ำลายบ้างลงในน้ำพวกชาวบ้านตำหนิประนามโพลนธนาว่าไชนภิกษุณีทั้งหลายจึงถ่ายอุจจาระบ้างปัดสาวาบ้างบ้วนน้ำลายบ้างลงในน้ำหเหมือนหญิงเคราะหัดผู้บริภโภคการเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านตำหนิประนามโพลนธน า, าบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพลนธนาว่าไชนัยพวกภิกษุณีฉาวพักีจึงถ่ายอุจจาระบ้าง